มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหานวมวักเอกจานกีกจานังธรรมาพิสมยยปัญหาที่สามถามว่าสัตยทปฏิบัติชอบตามธรรมได้สำเร็จธรรมาพิสมัยทุกพวกทุกเหล่าหรือ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีบรมกษัตริย์จึงมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเยเตสัมมาปฏิบัติชันติสัตว์ทั้งหลายใดมีน้ำใจศรัทธาอุตสาปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติในธรรมแล้วก็จะสเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผลสิ้นหรือหรือว่าสัตว์บางพวก ถึงจะปฏิบัติก็ไม่สําเร็จพระนาเคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพ ร, รบพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสรศิฐสัตว์บางพวกสําเร็จธรรมาพิสมัยมรกผลบางจําพวกไม่สําเร็จขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาเคเษนผู้ปรีชา พวกไร่เล่าไม่สำเร็จจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์ที่เกิดในกำเนิดเดรฉ า, านคือกินนอนและนาคเป็นต้นถึงมากว่าจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติให้ดีประการใดใดธรรมาพิสมโยอันว่าธรรมาพิสมัยมรรคนี้จะบังเกิดแกเดรฉานนั้น หาไม่ได้เลยเปรตจำพวกหนึ่งถึงจะปฏิบัติดีก็ไม่สำเร็จธรรมาพิสมัยมรรคผลคุณเป็นมิจฉาทิฐิยังถือผิดอยู่จะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติยังไม่ตัดทิฐิอันชั่วของตนเสียก็ไม่สำเร็จธรรมาพิสมัยมรรคผลประการหนึ่งกุมารอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบถึงจะปฏิบัติดี ก็มีอาจสเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผลประการหนึ่งบุคคลกระทำปัญจานันติยกรรมห้าประการคือมาตุคาตปิตุคาตอรหันตะคาตสังฆเพศและโลหิตุ ป, ประบาทสิริเป็นห้าประการและบุคคลทุศีนไธยสังวาดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัฒปลอมอยู่กับภิกษุสมเนนนั้นก็ดีและบุคคลที่บวชเป็นภิกษุแล้ว กลับไปถือฝ่ายเดรัีก็ดีและบุคคลที่ประทุษร้ายนางภิกษุณีก็ดีและภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศตมิได้อยู่กรรมก็ดีและบันดะก็ดีและอุพัโตพยัญชนะกะก็ดีจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติคือจำเริญสมถะวิปัสสนานั้นมิอาจได้ธรรมาพิสมัยมรรคผลขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาซึ่งบุคคลสิบห้าจำพวกไม่ควรจะได้ธรรมาพิสมัยมรรคนั้นโยมก็สิ้นสงสัยแล้วแต่ทว่าโยมสงสัยอยู่ที่ว่ากุมารมีอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบดูนี่หน้าที่จะได้มรรคธรรมวีเศษเหตุว่าทารกนั้นปราศจากราคะโทสะโมหะ มานะทิฏฐิมิได้มีกำหนัดในราคะดำริสนามิได้มีกา마วิตกมิได้เจือด้วยกิเลสเหตุฉไนจึงมิได้สำเร็จธรรมาภิสมัยมรรคผลพระนาคเษน จ, จึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิธพระราชสมภารกุมารมีอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบประกอบด้วยราคะโทสะโมหมานะทิฏฐิ รู้ว่าสิ่งนี้บุญแล้วกุมารนั้นจะได้มรรคผลประการหนึ่งถ้ารกมีอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบกระทำจิตปราศจากอากุศลได้เหมือนผู้ใหญ่นั้นก็จะสำเร็จมรรคและผลอาจได้ซึ่งนิพพานธาตนีสิเป็นกุมารอายุต่ำสติปัญญาอ่อนนักถึงจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัตินั้นมิอาจจะได้ซึ่งธรรมาพิสมัยมรรคผล อุปมายปิโสอัทโถความข้อนี้จะเห็นแจ้งด้วยอุปมามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าเขาพระเมรุราชปะวะโรประเสริฐยิ่งนักจะมีบุรุษผู้หนึ่งมายกเขาพระสุมเมรุราชด้วยกำลังตนเป็นปกติจะยกได้หรือไม่ได้นะบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าบุรุษนั้นจะยกเขาพระสุเมรุที่ไหนได้นะผู้เป็นเจ้าพระนาคเษน จ, จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารบุรุษที่มีกำลังเป็นปกติมิอาจจะยกเขาพระสุเม ร, รุราชได้ด้วยเหตุประการใดพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาเหตุว่าเขาพระสุมเมนใหญ่พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารประการนี้ยะถามิอุปมาฉันใดกุมานั้นเป็นเด็กสติปัญญาอ่อนมิอาจสำเร็จธรรมาภิสมัยมักผล ดุดบุคคลที่มีกำลังเป็นปกติมิอาจยกเขาพระสุเมรุราชอันใหญ่ขึ้นได้ฉะนั้นถ้ามิฉะนั้นดุดบุรุษผู้หนึ่งนำมาซึ่งอุทธกังประมาณหยาดหนึ่งมาสลัดลงในมหาปัตพีอันกว้างใหญ่อันว่ามหาปัตพีอันใหญ่นั้นจะชุ่มชื่นเปียกไปด้วยหยาดอุทะกังหยาดเดียวนั้นหรือบอบพิษพระราชสมพานผู้ประเสริฐในปัตถี สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองคงการตรัสว่านหิพันเตจะได้ที่ไหนผู้เป็นเจ้าอุทะกังยาดเดียวนั้นหรือจะให้ปัทถีอันใหญ่เปียกชื้นได้พระนาคเสณเถระจรึงอุปมาต่ออุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความข้อนี้ยะถามีครุวนาฉันใด กูมานอายุต่ำกว่าเจ็ดปียังไม่รู้ความยังอ่อนสติปัญญามิอาจสำเร็จธรรมมาพิสมัยมรรคผลดุดอุทธกังหยาดเดียวตกลงหลังปัตถพีอันใหญ่มิอาจให้ปัตถพีชุ่มได้ฉชนนั้นประการหนึ่งบพิษพระราชสมภารปานดุดประทีปอน้อย บุคคลจะเอาส่งให้สว่างทั่วมนุษย์โลกกับเทวโลกจะได้หรือประการใดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชองค์การตรัสว่าณหิพันเตไม่ได้สิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารไม่ได้ด้วยเหตุประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคาราช ตรัสประภาธว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเพราะกองประทีปนั้นน้อยจึงมิอาจยังมนุษยโลกกับเทวโลกให้สว่างได้พระนาคเสนจริงว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความข้อนี้ยะถามีครุวนาฉันใดอันว่ากุมารอายุต่ำกว่าเจ็ดปี มีสติปัญญาอ่อนมิอาจสำเร็จแก่ธรรมาพิสมัยมรรคผลได้ดุดประทีปน้อยมิอาจยังมนุษยโลกกับเทวโลกให้สว่างได้ฉันนั้นอีกประการหนึ่งขอถวายพระพรธรรมดาว่านอนบ่อนกินไส้ข้าวสาลีกิมิชาติหนอนนี้จะกินขเชนทอนคตชสารสูงแปดศอกคืบให้ล้มได้หรือบอบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิลขัตติยวงศ์มีพระราชโอลงการตรัสว่านหิพันเตไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเถระปุชชาถามว่ามหาราชาขอถวายพระพรบวพิภรระราชสมภารไม่ได้ด้วยเหตุประการใดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาเหตุว่ากิมิชาติหนอนนั้นตัวเล็กน้อยจึงมิอาจกินคดชสารตัวใหญ่ให้ลม้มลงได้พระนาคเษนจึงว่ามหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารความประการนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดกุมารอายุต่ำไปกว่าเจ็ดปีมีสติปัญญาอ่อนนัก มิอาจสําเร็จธรรมมาพิสมัยอุปมาดุดกิมิชาติหนอนน้อยมิอาจสามารถที่ว่าจะกินคตชสารสูงแปดศอกคืบให้ล้มลงได้นั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาได้ทรงฟังดังนั้นก็สิ้นสงสัยสาธุการว่าสาธุพันเตพระเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ควรแล้ว สัมปติชามิโยมจะรับถ้อยคำไว้ในการบัดนี้เอกจานเอกจานังธรรมมาพิสมัยปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้